ก็ขอโมทนาในช่วงสุดท้ายนี่เนะี่ยในครั้งที่สักครู่นี้ก็พูดถึงในเรื่องของสุเมธาดาบทลุกขึ้นพิจารณาบารมีสิบประการในบารมีสิบประการนี้ดูลัคณาที่จจตุ ก, กะของบารมีต่างๆนะก่อนที่จะคร่ครวนตรงนี้ก็คือว่า ในทานบารมีเนี่ยปริจาคลักนามีการบริจาคเป็นลักษณะนิทานเนี่ยนะประการต่อมาคือทยธรรมเมโรพะวิสุทธังสนระสามีการกำจัดโลภะคือความโลภในทยธรรมเป็นกิตอนนาสติปจุปถานาหรือภาวะ วิภาวะสัมปติปัจจุปถานาวาได้มีความถึงพร้อมด้วยพบและถึงพร้อมด้วยวิภพนี้นะเป็นผลปรากฏแล้วก็ปริจจะชิตตพาวัตถุประฐานามีวัตถุอันสมควรเป็นเหตุใกล้ถ้าพูดถึงในเรื่องของทานบรารมีเนี่ยก็พูดถึงตัวเจตนานีทานอย่างหนึ่งแล้วก็ตัวอโลพาทานนั้นอย่างหนึ่งในที่นี้ท่านขับเน้นในเรื่องของ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 อันว่าภาชนะที่เต็มด้วยน้ําเมื่อวางคว่ําลงน้ําย่อมไหลออกจนหมดไม่ขังติดอยู่ในภาชนะแม้ฉันใดเธอเห็นยาจกผู้ยากไร้ทั้งหลายจงให้ทานอย่าให้เหลือดุดภาชนะที่วางคว่าไว้ฉะนั้นทานบา ร, รมีนั้นมีลักษณะยิเจตุกกาก็คือว่าบริจาคารกษนาก็คือว่ามีการบริจาคมีการสละมีการให้เนะี่ยเป็นลักษณะการบริจาคนี่คือการจิตที่คิดจะให้นะ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 ดุดหมอน้ำด้วยความลงชั้นนั้นสุเมธะบัณฑดทก็สอนตนเองบอกว่าท่านจงบําเพ็ญธารมีด้วยบริจาคทรัพย์อย่าให้เหลือทานบรมีด้วยการบริจาคอวัยวะทานาทานบรมัตธรรมบมีด้วยการบริจาคชีวิตไข่ควรยิ่งขึ้นไปว่าอันธรำเนี่ยที่จะทําให้เป็นพรธเจ้านั้นน่ยไม่ใช่อยู่แค่ทานดังกล่าวที่ท่านไข่ควรอะไรรนะู้ไหมไข่ควรทานบรมีทุกระดับเลย ทั้งทานนบรมีทานะอุป ป, ปารมีทานะประมาทัปธรรมีแปลว่าท่านรู้ลัคนายที่เจตุการตองทานนะท่านบอกการให้ทานต้องกระจัดความโลภในทายาธรรมต้องไม่มีความติดข้องในทายาธรรมต้องสละแล้วก็ให้ทีนี้ประการต่อมามีความไม่ติดข้องเป็นอาการเป็นอาการปรากฏโดยเป็นปัจจุบันฐานด้วยแล้วก็มีพบแล้วก็มีความไม่มีพบสมบัติเนี่ยเป็นผลเป็นปัจจุบัฐานก็ได้แล้วมีอะไรเป็นเหตุใกล้ บริจัติตับพาวัตถุประธานาก็คือมีวัตถุอันควรบริจากนั้นเป็นประฐานหรือเป็นเหตุใกล้นั้นเมื่อมีวัตถุมีสิ่งของต่างๆเหล่า น, นี้ท่านก็พิจารณาในกรณีอย่างนี้ประการต่อมาท่านก็พิจารณาบอกว่าพุท ธ, ธรรการกระคตาทำที่จะให้เป็นพุทธเจ้าทำที่ทําให้เป็นพุทธเจ้าสิประการเอทางศีลเนคขมะเป็นต้นเหล่า น, นี้ท่านก็ไข้ควรไปตามลำดับว่าไม่ใช่มีแค่ชั้นระดับทาน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 อันว่าจามารีรักษาขนหางท่านจงยินดีศีลบา ร, รมีข้อที่สองนี้บำเพ็ญให้มั่นคงก่อนถ้าท่านจะปราถนาบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณท่านจงคงจงบำเพ็ญศีลบา ร, รมีเถิดจามารียอมตายในที่ที่ขนหางของตนติดอยู่ในที่บางแห่งไม่ยอมให้ขนหางขาดไปแม้ฉัน้นใดท่านจงบำเพ็ญศีลบา ร, รมีในภูมิสี ศีลบารมีในภูมิสีก็คือปาฏิโมกขังวรศีนใช่ไหมพอกปาฏิโมกขังวรศีนคืออะไรเอาคืออะไรคือเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีนนวิติกามาศีนใช่ไหมที่ประชุมอยู่ในศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสอง้อยี่สิบเจ็ดศีลสามรอยสิบเ็ดนั่นเอง ฉนันกรณีแห่งข้อวัดปฏิบัติต่างๆนั้นก็ต้องเอานี่แหละเอาเจตนาศีนเจตสิกสีเนี่ยเป็นตัวนั้นทีนี้คนเรานเนี่ยบางท่านเนี่ยเมือ่อครูยองก็บอกว่าคนก็จะชวนไปปฏิบัติเดีอยว่เรยเอาล้วสิแล้วบอกจะชวนไปปฏิบัติถามว่าจะตอบเขาว่าไง ถ้าถามบ อ, อกในขณะฟังทำเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติไหมเรียกไม่เรียกเคยกล่าวไปตั้งหลายครั้งเห็นไหมว่าวิมุตตายตนะเนี่ยเหตุของความหลุดพ้นหนึ่งห้าประการฟังทำรรจากพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อฟังแล้วเนี่ยเธอรู้แจ้งอัตถารู้แจ้งธรรมะปราโมทก็เกิดขึ้นปีติปัปสสติความสุขสมาธินี้ก็เป็นวิมุตตายตนะข้อที่หนึ่งเป็นต้นเนี่ย นั้นกรณีถ้าถามว่าปฏิบัติที่เป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของการทําให้เจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรอวิติกมศีลเกิดนี่พอพูดถึงเจตนาศีลก็เอ๊แล้วมันต่างจากปฏิโมกสังวรศีลอย่างไงก็ไปนั่งคิดกันอีกกุ้มิกจะไม่ยากเอาปฏิโมกสังวรศีลน่ะมีศรัทธาเป็นประธานว่าไงแต่ในนั้นมีเจตนาอยู่ในนั้นนะมีเจตสิกศีลอยู่ในนั้นมีอวิติกมามีเอ่อมีเจตสิกมีมีสังวรก็มีอวิติกร ม, ม, มเาเนะ คือการไม่ก้าวร่วงอยู่ในนั้นซึ่งได้ขยายไปแล้วใช่ไหมในรายละเอียดต่างๆแล้วก็ไปรขควรไปพิจารณาดูจะได้เข้าใจอย่างกรณีบางทีเราไปศึกษาคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเราได้ศึกษาในชั้นของสมถาวิปัสนาแต่พอพูดถึงในระดับศีเนี่ยเราไม่ได้อีกก็ต้องดึงลากลงมาอีกใช่เอามาไข ค, ควนให้เกิดความเข้าใจมันจะได้เดินถูก ฉะนั้นผพูดถึงในเรื่องศีลที่เป็นไปในภูมิสี่เนี่ยอินทรีย์สังวรศีลก็คือเจตน า, เจ ต, นาเจตสิกสังวรอวิติกรมะสังวรศีลก็นี่แหละเจตนาศีลเป็นต้นนี่แหละก็ประชมอยู่ในนั้นแหละแล้วก็การไม่ก้าล่วงกับเจตนาเจตสิกสังวรอวิติกรมะเหมือนกันก็คือการไม่ก้าล่วงก็ไปชุมอยู่ด้วยกันนี่แหละ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 ถ้าจะไปเจริญสมถะวิปัสนาแปลว่าเขาปรารถนาที่จะออกจากภพจริงๆมั้ยเขาต้องไม่มีที่สุดใช่ไหมจ้ะท่านจงบำเพญ็ญศีลบา ร, รมีในภูมทั้งสี่แต่พุทธกาลกธรรมจักมีเพียงเท่านี้ก็หามไม่ถ้าบอกศีลและบา ร, รมีเป็นยังไงศีละาาละลัคนาศีลมีการรักษากายวาจาใ จ, าจาให้ตั้งไว้โดยดีโดยไม่ให้กัดกัดกระจายไปเป็นลักษณะ คือศีนนั้นมีอะไรเป็นพื้นฐานในกุศลธรรมทั้งหลายมีสมาธิกุศลเป็นต้นนั่นเองลักษณะของศีลเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอาศีนน่ะมีอะไรมีการรักษากายทำกายกรรมวจิกรรมให้ตั้งไว้อยู่ได้ดีไม่ให้กระจัดกระจายไปก็คือไม่ให้ทุศีนนั่นเองทํากายกรรมวจีกรรมให้ตั้งไว้ด้วยดีคําว่าตั้งไว้ได้ดีนั้นเป็นศีระนะใช่ไหมและในขณะเดียวกันก็คือเป็น พื้นฐานของกุศลธรรมทั้งหลายในชั้นของการออกจากปาณาติบาตอธินาทานกาเมสุมิฉาจามุสาวาตปิสุนาวาจาพุรุสาวาจาสัมผั พ, พลาปะอภิชาพยาบาทมิฉาทิฏฐิเนี่ยในชั้นนี้เป็นชั้นของศีลนะให้สังเกตดูนะว่าเอาเราท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมาได้ด้วยศีลห้าใช่ไหมใช่ไม่ใช่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 ต้องมีศีลไหมศีลต้องแข็งแรงถ้าศีลไม่แข็งแรงโอกาสจะเป็นมนุษย์ในภพต่อไปได้ไม่ได้ต้องสุจริตสามด้วยไหมศีลห้าแล้วสุจริตสามด้วยอา้าวเรียนมงคลนกันมาหลายคนที่นั่งๆั่งกันอยนู่ในมงคลมีอยู่ข้อหนึ่งใช่ไหมเขาเรียกไรกตันโยกตาเวทีใช่ไหม กระตันยูแล้วก็กระตาเวทีมีอยู่ข้อใช่ไหมเรียนกันถึงขีง้ยงฮะมีอยู่ข้อใช่ไทีนี้กระตันยูเนี่ยแปลว่าอะไรรู้อะไรกระตาเวทีแปลว่าอะไรตอบแทนใช่ไหมถามบอกว่าเราเป็นมนุษย์มาเพราะกุศลกรรมรบทสิบพอสีลห้าใช่หรือไม่ใช่ การที่เราระลึกได้ว่าเรามาจากศีลห้ามาจากกุศลกรรมบทชสิบนี่แปลว่าเรารู้คุณไหมรู้คุณของศีลรู้คุณของกุศลกรรมบทแต่ถ้าในปัจจุบันนะพบแล้วเราไม่เจริญศีลห้ามีเจตนาศีลเจตสิกสังวรนวิติกรรมะไม่เจริญกุศลกรรมบทชสิบเขาแปลว่าไม่มีกระตะเวทีใช่ไม่ใช่ เอาถ้าคนไม่มีก็เป็นคนอากตันยูใช่ไม่ใช่ใชอ้เ น, นี่ยมาถามนะใช่อากตัญยูไหมเอาถ้าคนอากตัญญูเนี่ยชีวิตจะไปดีหรือไม่ดีนั้นคนที่อากตันยูทั้งหลายวิบัติหมดแหละเราเรียนมงคลต้องให้เข้าใจอักถระของมงคลท่านบอกว่าเป็นคนอย่าเป็นคนอักตันญูเนี่ย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 ถ้าท่านผู้ใดไม่ตอบแทนบุญนะไม่ทดแทนบุญของตนเองนะจะอยู่แค่สักว่าหายใจไปวันๆเท่านั้นเลยเพราะลมหายใจขาดก็วิบัติหมดโอกาสจะเป็นมนุษย์อีกไม่ได้แล้วลงต่ำแน่แน่เพราะเป็นคนไม่มีกระตะเวทีไม่มีกระตันยูแล้วก็ไม่มีกระตะเวทีเพราะไม่เพราะเสียมงคลไปข้องอนะตอนเรียนมงคลคเรียนอย่างนี้หรือเปล่า เรียนอย่างนี้ไหมนี่เป็นอย่างนี้เพราะเรามาเรามาได้บุญของเราด้วยบุญของกุศลกรรมรบทพ่อสี่ห้าเนี่ยถ้าไม่มีศี่ห้าตรงนี้ท่านบอกว่าถ้าจะต้องการบำเพ็ญให้ศี่ห้านี่นะศีลเขาจะบอกมีการรักษากายวาจาให้ตั้งไว้ด้วยดีคําว่ากายวาจาให้ตั้งไว้ด้วยดีก็คือกายนั้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรม ใชวาจาตั้งไว้ได้ดีก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดคำเหย่าและเพ้อเจ้อกายวาจาจะตั้งอยู่ได้ดีหรือไม่ดีอยู่ที่ใจใจนั้นต้องมีเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรนาวิติกรมาอยู่ในใจด้วยถึงจะไปขัดเกลากายกรรมวาจิกรรมให้ตั้งไว้ด้ดีไม่กระจัดกระจายไม่เกลื่อนกลนด้วยการฆ่าด้วยการรักเป็นต้นใช่ไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่ารักษาศีลแล้วขัดเกลาแต่กายกับวาจาไม่ใช่ ทำไมท่านต้องปิดมุมได้สุดจริษฐามก็ดูที่ผลปรากฏของศีลคืออะไรกิจของศีลก็คือทษศีลระยะวิสุทธังสนราสาไงกำจัดความทุศีลไงเป็นกิจไงหรือความสมบูรณ์โดยการปราศจากโทษเนะี่ยเป็นสมบัติก็ได้ไม่มีโทษโสเจยะปะทัตฐานามีลากายกรรมวิจีกรรม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 ทางกายกรรมวจีกรรมก็ขาดสะบั้นเลยอะ่ะเอาอย่างนี้ใช่ปฏิบัติไหมนะีเมื่อเดินกุศลศีลได้ในขณะที่นั่งฟังพระธรรมอยู่เนี้ยชื่อว่าปฏิบัติเดินอยู่ไหมนี่ไงปฏิบัติเดินอยู่แล้วเราก็ที่บายบอกเขาถ้าเขามาชวนบอกเขาอยากจะไปปฏิบัติเนี่ยแล้วก็บอกว่าอ๋อตอนนี้เอ่ะดิฉันหรือผมกําลังปฏิบัติอยู่ใช่ไหมกำลังจะขัดเกลาตัวเองอยู่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 เพราะกิเลสมันยอมพักรรบกับเราไหมบอกอาเทิยนท่านทั้งหลายตอนนี้โยมทางานไปเถอะเราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับใจท่านหรอกแต่ยามใดที่ท่านจะไปปฏิบัติเราไปสู้กันทีมันเป็นอย่างนั้นจริงเดาข้อที่จริงผู้ปฏิบัตินี่นะโดยทุกวันนี้ด้วยนะการสอนปฏิบัติเนี่ยไปปฏิเสธสมาธิเนี่ยโอ้โหเสียหายมากเลยผิดพุพจน์เขาอีก ไม่ให้เอาสมาธิอย่างเงี้ยก็แปลว่าไม่ให้เอาอะไรศีลนะ ส, สมาธิปัญญาก็ไปให้ฉีกสิกขาของพระเจ้า ท, ทิ้งไปเส้นสิกขาหนึ่งบางทีสมัย่อดมาก็ถามบอกเลยเคยถามบอกว่าท้าคุณจะไปฉีกทําไมจะฉีกสิกขาของบรมศาสด า, า, าทําไมยังไงเพราะสมาธิอันตามด้วยสตินะ อันต่างโดวยวิริยะละสมาธินะฉีกไปสามองเนี่ยองค์มร ก, ก็ขาดหลุดลุ่ยหมดแล้วไปฉีกทําไมก็ไปปฏิเสธสมาธิของพระพุทธเจ้าก็หายเสียเลยตัวเนี้ยแล้วก็ยังไม่รู้อีกวัวตนเองเนี่ยก็ได้กระทาโทษไปแล้วได้กระทาสิ่งที่ไม่ควรไปแล้วก็ไม่ยอมขอขามาอีกนนเนี่ยนะเออปปแปลกแต่ยังไปพูดขัดสรรพยุติยานของพระบรมศ า, ศาสดาเราท่านทั้งหลายก็อย่าไปทําอย่างนั้น อย่าไปทำอย่างนั้นเลยมันจะเป็นบาปเป็นกรรมก็โดยเองสมาบัตินะมีไหมพุทธเจ้าเคยปฏิเสธไหมแค่หลักสีเลปฏิถหายานโรสปัญโยจิตตังปัญญาภาวยังอาตาปีนิปโกภิขุโสถิมังวิชัตเเยชะตันเตียเห็นไหมนรชนผู้มีปัญญาพระโยค า, าวจรที่มีปัญญามีปัญญานะคือมีปัญญาแต่การเกิด จเจริญศีลกันไงศีลที่เป็นไปในภูมิสีไงอบรมจิตจิตในที่นั้นก็เป็นชื่อของสมาบัติแปดนั่นไปดูที <S <S ไปปฏิเสธสมาธิทําไมปฏิเสธก็หักหลักการของพระเจ้าเสียเลยแล้วตนเองเป็นใครใช่ไหมยชะทําไมไปหักหลักการของท่านนี่ก็ไปแอบยัดข้อมูลใส่คนที่เรียนมาไม่ค่อยดีครับยุ่งเลยพากันไปเลยเในเนี้ย อัดข้อมูลให้คนที่ผิดพลาดก็ปากันไปแล้วจริงไหมเิงนั้นคำสอนของพระบรมศาสดาอย่าไปฉีกอย่าไปฉีกตรงนั้นเราจะเสียหายเองผู้ฉีกเนเสียหายผู้ตามก็เสียหายอีกแต่เนี้ยก็อย่างกรณีอย่างสีเนี่ยนะมีการรักษากายวาจาใจให้ตั้งไว้โดยดีไม่กระจัดกระจายเป็นลักษณะก็คือว่ากายกรรมวจีกรรมไม่กระจัดกระจายไม่เกลื่อนกล่นมาจากคําว่าสีแล้วนะ ส่วนสี่ด้านนี้คความหมายหนึ่งก็คือเป็นพื้นฐานของกุศลธรรมทั้งหลายอันมีสมาธิเป็นต้นก็คือว่าศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาไหมหรือคุณธรรมต่างๆเหล่านี้สติปัฏฐานสมปัฏฐานเป็นต้นเหล่าเนี้ยต้องมีศีลนะเป็นประทัดฐานทั้งนั้นเอยต้องมีศีลทั้งนั้นแต่เป็นพื้นฐานของกุศลธรรมเหล่านั้นกุศลธรรมเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าไม่มีศีลเป็นพื้นฐานแล้วก็มีการกําจัดความทุศีล เป็นรถเป็นสัมปติรถนี่นะประการต่อมาก็คือว่ามีความสะอาดกายวาจาใจเป็นอาการปรากฏอะไรเป็นเหตุใกล้ของศีลเฮริโอตา ป, ปะที่จริงพอพูดถึงในชั้นของทานบา ร, รมีเนี่ยนะย้อนกลับไปหน่อยพระโพธิสัตว์นี่บำเพ็ญทานบา ร, รมีเนี่ยนะนะพิจารณาตลอดทิศเบื้องต่ำเบื้องสูงจนถึงธรรมธาตุในการนั้นเห็นทานบา ร, รมีเป็นพุทธการกรรมเป็นข้อที่หนึ่งเป็นทนทางใหญ่ ที่พระพุทธเจ้าในอดีตในการก่อนทรงเลือกแล้วก็สอนตนเองว่าเธอจงบาเพ็ญทานบารมีอันเป็พุทธกาลกระทำนี้สมาทานทําให้มั่นคงถ้าปรารถนาบรรลุสัมมาสัมปอธิญานเป็นต้นท่านก็กล่าวไว้พระโพธิสัตว์นั้นบําเพ็ญทานบารมีนับจ ะ, ะนับประมาณไม่ได้ในชาติสุดท้ายเป็นพระเวสสันดรยังไหมตรงนี้นมาก็ไล่า ย, ยาไวไปก่อนในชาติสุดท้ายเป็นถ้าสุดท้ายเป็นเวสสันดรโพธิสัตว์ทําให้แผ่นดินไหวเจ็ดครั้งเดินนาคของทานบารมี ครั้งนั้นได้ทรงสอนนางมัสีว่าดูก่อนพระน้องมัสีพึ่งให้ทานในท่านผู้มีศีลตามสมควรนะเพราะที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงยิ่งไปกว่าทานนั้นไม่มีเลยทานนี่เป็นที่พึ่งใช่ไหทานนี่เป็นพุทธการละกธรรมของพระบรมศาสดาอย่าไปปฏิเสธนะทานเนี่ยเป็นบันไดเกินนการบรรลุนะโพธิญาณของพระพุทธเจ้าเป็นบันไดเกิการบรรลุ ป, ปเจกับโพธิญาณและสาวกับโพธิญาณเป็นต้นด้วย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 ธนบุ Fortnite, ริจาคะก็คือบริจาคทรัพย์อังคบุตริจาค่ะก็คือนั่นแหละอวัยวะชีวิตต่ปริจาคะก็บริจาคชีวิตปุตตะปริจาค่ะก็กให้บุตรทาระจริจาคะปริจาคะที่ทาระนี่แปลว่าอะไรทารานี่แปลว่าอะไรอยู่ทาระแปลว่าภรรยาเนี่ยก็แปลตรงตัวเขแปลว่าเมียเนี่ยทาระนี่ภรรยานั่นแหละเพราะเป็นทานใหญ่ ทั้งพระเวสสันดร น, นะอัฏถากล่าวว่าการให้ปียบุตรเป็นทานก็ดีการให้เป็นภรรยาเป็นทานก็ดีไม่ใช่อุปปา ร, ปรมีแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังแผ่นดินไหวแผ่นดินยนหนาส4 0 0 0 0โยชนยดบรรลือลั่นเสียงสนัน่นถึงไตรทิพย์ทั้งสายฟ้าก็แบลบแรา บ, าบโดยรอบเสียงสถานปรากฏปานประหนึ่งว่าเสียงภูเขาถล่มทลายไปฉะนั้น ให้ทานแผ่นดินไหวทีนี้เมื่อคลังใกล้จะตัดสู้นะพยามาณก็ประจนก็สามารถให้พยามานพ่ายแพ้ไปโดยสิ้นเชิงทานและคือคำว่าทานในที่นี้นะไม่ใช่คำว่าทาท่าในการให้ก็คือว่าแปลว่าการประการต่อมาก็คือศีลลักขณาที่เจตกการบสีละ น่ารักษณนะมีการงดเว้นเป็นลักษณะมีการงดเว้นหรือคู่สักครู่เนี่ยกายกรรมวิจีกรรมไม่เกินก้นไม่กระจัดกระจายแล้วก็เป็นพื้นฐานรองรับกุศลธรรมเบื้องสูงใช่ไนหะเป็นฐานเป็นพื้นของกุศลธรธรมเบื้องสูงมีสมาธิเป็นต้นนี่เราก็ได้มุมใช่ไหมได้มุมแห่งการที่เห็นบารมีของพระโพธิสัตว์หรือของพระเจ้าทศสีร้ายะวิสุทธังสนรลส า, าก็มีการกําจัดความทุศีล คำว่าทุศีนี่แปลว่าอะไรอ่ะทุนี่ดีหรือไม่ดีที่จริงอกุศลศีน์เขาเรียกว่าทุศีเพราะศีน่ะถ้าว่าโดยสามนี่นะมีกุศลศีนอกุศลศีนอภิญากตศีน์ใช่ไหมอกุศลสีนนั่นแหละเรียกว่าทุศีในขณะที่โลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นนี่เรียกว่าทุศีฉะนั้นเมื่อเจตนาศีนเจตสิกศีนสังวรศีนเกิดขึ้นมาปุ๊บจะกําจัดไอตัวเนี้ กำจัดตัวทุศีลเนี่ยให้ออกไปจากใจก่อนเพราะศีนเนี่ยนะศีลมีก็อยู่ที่ใจศีลไม่มีก็อยู่ที่ใจได้แหละถ้าในใจไม่มีศีนก็เรียกทุศีลไม่มีศีลหรือจะบอกว่าไอ้ทีก็ได้ทุกไปว่าชั่วก็ยังได้เลยมีศีลชั่วเกิดขึ้นมาแล้วอย่างงี้ก็ได้นะก็คือศีลไม่ดีเกิดขึ้นมาแล้วในใจฉะนั้นพอกุศลศีลพอกุศลจิตเกิดไอ้ภาวะของความทุศีลก็จางหายไปเป็นอย่างเนี้ย แต่คนที่จะศึกษาจะรักษาศีลได้แปลว่าเขาศึกษาเรื่องศีลดีโดยเฉพาะศีลบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็มาศึกษาทีนี้มีความกำจัดความทุศีลเป็นกิจอนาวัชชะคุณาราสาวาหรืสโจ ย, ยะปัจจุปทานาวาก็ไนดะ้ก็แปลว่ามีหรือเนี่ยนะมีคุณไม่มีโทษเป็นสัมปติรสมีความสะอาดนะ่ย สะอาดในที่นั้นกายต้องสะอาดวาจาต้องสะอาดใจต้องสะอาดสรุปสะอาดกับสุจริตอันเดียวกันไหมสะอาดก็สุดจริตนั่นแหละกายสุจริตว จ, ส จ, สจีสุดจริตแล้วมโนสุจริตสุดจริตสามจึงเป็นมนุษยธรรมใช่ไหมธรรมของมนุษย์ฉะนั้นที่เรามาเป็นมนุษย์ได้เพราะมีศีลห้ามีสุจริตสามไง แต่ถ้าหากปัจจุบันนะพบนี่เรารักษาศีลห้าเป็นต้นไม่ได้สุิเลสสามรั 3, กษาไว้ไม่ได้เราก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ไดไไดก็ไม่ได้ก็หิริอตตาปะปัฏฐานามีฮิริอตตปาเป็นเหตุใกล้ศีลเพราะอธรรมรองรับรองรับในความหมายนั้นนนัแปลว่างดเว้นคือทรงไว้ซึ่งคุณธรรมทรงไว้ซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายศีลเหมือนแผ่นดินไหม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 อรูปฌานทั้งสี่อากาสานัณจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญาจตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะต้องมีศีลเอา้ายอมไปเรียนวิปัสสนามายังไหมเมื่อกี้นามรูปปริเฉทญาณเนี่ยต้องมีศีลเป็นฐานรองรับอยู่ไหมมีไม่มีมีอยู่ไหนไหนศีลเกิดก่อนหรือวิปัสนาเกิดก่อนหรือเกิดพร้อมกัน ต้องอยู่ในจิตเดียวดวงเดียวกันถึงจะเรียกว่าเป็นพื้นฐานรองรับฉะนั้นอันิจจานุปัสรรคก็ต้องมีศีลรองรับทุกขานุปสรรคก็ต้องมีศีลรองรับอยนั้นอนัตตานุปัสรนาก็ต้องมีศีลรองรับอยู่นั้นนิพิทานุปัสรรคก็ต้องมีศีลรองรับในนั้นวิราคานุปสรรควิปัสนาทุกระดับปฏินิสคานุปัสรรคนิโรธานุปัสรรค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 เวทีเนี่ยจะมีสัมมาวาจาสมารกรรมิตาสมาชีวะยังไงพูดถึงตัวสมาทานวิรัตและสมประตะวิรัตนี่เดี๋ยวไล่ ย, ยาวไปเดีย๋ยวจะไปยาวใหญ่เลยเดี๋แต่จริงนั่นอยู่อยู่ในศีลนะเนี่ยอยู่ในศีแลแบา ร, รมีจริงๆต้องต้องดึงลงด้วยทำไมเนี่ยเราอยู่ในเวลาที่เราขยายมากก็ไม่ค่อยได้ยังไง ม, มันมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะทีนี้ พูดถึงในเรื่องของคำว่าสัมมาวาจากคาถาสัมมาวาจานี้ท่านพูดถึงในเรื่องของกุศล